ต <ś led> ังไหมจะพูดให้ฟันเวอร์นาย ห, หรือยังน <ś led> ั้นตาก็เจอแล้วจะ พ, พูดเอาพูดเอาสักหน่อยอาจารย์นุนม่มๆอาจารย์โน้ตอาจารย์ต้องศีนอาจารย์ด้มีหลายรูปอยู่ที่ทนี่นักแสดงธรรมเหมือนกันนะรีบด่วนสักหน่อย มีชีวิตธีว่าการแสดงธรรมนี่ถ้าไม่แสดงธรรมจะเลยตายง่ายนะต้องได้บอกอะไรที่มันเช็ด <c oughs> มันจริงอย่างไรล้วก็ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> เชิงพุทธ <c oughs> จิงเวทล้อม <c oughs> ทำวัดเช่า <c oughs> ทำวัดเกศสาธิยายพระสูตร <c oughs> ต่างๆ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 เี่ว่ามงคลสามิแปดสามสิบแปดไม่ใช่สัมหกถ้าผู้ใดศึกษาดีแล้วมงคลสามสแปดนี้เจริญก็นะ้าเป็นที่ไม่มีพิรภัยในทิศทั้งปวงต่อไปก็สวดอีกบทหนึ่งเรียกว่า นี่ว่าอะไราะกาลามชุนกาลามชนกาลามสูตรกาลามชนุนสมัยหนึ่งพระเจ้าได้เดินทางไปหมู่บ้านกาลามชนซึ่งเป็นทางผ่านของนักสรศาสนาปุกุกะกิกจยนะก็ผ่านทางนี้มักกะลีโคสารก็ผ่านไปทางนี้ นี่ขันธานาะตบุตรก็ผ่านไปทางนี้สนชัยวิรัตตบุตรก็ผ่านไปทางนี้อธิเกตกรมพลก็ไปทางนี้ทั้ง6คนคููทั้ง6ผ่านเส้นนี้บุกุกกะบุกุกุกกะกจจายานะกัอนแบบหนึ่ง มคัคคีโคสานสอนแบบหนึง่งที่กะอ ะ, อะไรจำไม่ได้โนอะี้ว่าไปแล้วแต่มันลืมอว่าหกคู่หกคนเนี่ยบพระพเจ้าไปสอนอีกแบบหนึง่งหมู่บ้านนี่กาลบัชนนี่ล้องขึ้นบอยวายจะให้เชื่อยังไงดีตูกะก็สอนอย่างหนึง่งมคัคคีโคสานสอนอย่างหนึง่ง อธิการเทศกำพลก็สอนอย่างหนึ่งสนใจวัตุบทสอนอย่างหนึ่งพระสําโครมก็สอนอย่างหนึ่งใจท่านต้องใจทำอย่างไรเชื่อยังไงวเจ้าเลยเทศเทศะอะไรสารพัดชนารัชนนะ การลมชนหมู่บ้านการลมชนไปยตัดจุดนี้พวกการลามชนฟังเล่าเกิดศรัทธาแทนที่พรธเจ้าว่าเชื่อเราเชื่อเราพรกเจ้าไม่ได้บอกจากนั้นจะเชื่อสิบอย่างชิงใดที่ทำแล้วเกิดกุศลไม่เบียดเบียนตนและคนอื่น่งนั่นควรจะทำ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 อนนั้นเนี่ยเราก็สาธยายส่วนนี้มีหลักฐานมีที่เป็นที่มาไม่ใช่พวกเราว่าเองมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอันนี้เป็นเรื่องที่เราสาธยายหลวงตาก็อยากจะบอกวันนี้ว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเรื่องอะไรทําไมจะเกิดพุทธสนาขึ้นมาเป็นไปนเหตุอนไรเกิดขึ้น เนื่องจากเจ้าพ่าชายสิริธะตรไชนอายุ16กพรรษาออกว่าพาสเมืองก บ, บิลพัทเห็นคนเก่เกิดคนเจ็บคนเจ็บ ค, คตายเห็นสมณะไม่คือออกกับพระราชวังดูร้อนอยู่หลังหนึ่งดูหนาวอยู่หลังหนึ่งหรือดูฝนอยู่หลังหนึ่งมีแต่สติสวยๆไม่มีบุตเจอปน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 ลองพระชนมายุยีบเข้ากัญสาตาหุนเกิดใหม่ๆอ ด, ดไม่ลน่นทนมาได้ชาวกว่านี้ไปได้แล้วจึงเกิดออกผนวดเห็นสำนะเนี่ยมองว่าคงเป็นทางนี้แหละจึงจะศึกษาเรื่องได้เรื่องความแก่เรื่องก็เกิดความแก่ความเสียคว า, คว า, ควาตายทุกคนจะต้องไปอย่างนี่หรือเมื่อไม่เมื่อมีเกิด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 การเดินไปข้างหน้าการถอยกลมาข้างหลังมีสติเอากายนี่แหละเป็นนาลาให้เป็นมิตรเกาะไว้ก่อนถ้าไม่มีที่เกาะมันจะวิ่งไปข้างหน้าวิ่งเขินข้างหลังคนที่ทิ้งลูกมาก็ย่อมคิดถึงลูกทิ้งเมียมาก็ย่อมคิดถึงเมียคิดถึงทิ้งประชาสามพุลูมาก็ย่อมคิดถึงประชาสามพุลู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 เคือบเจ้าตัวไม่รอดที่ว่ามานกิเลต์มารนขันท่ามารนมัดจมงานเจ้าบตชจำงานก็งำคิดถึงประสาิสำโดคิดถึงเสาสนมกำนันไหนก็นเคยมีความสุขย่อมคิดก็กกักับมาหาที่ตั้งนันคิดไปแล้วกับตา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 อกลัวไปเลยเพ่ไปเลยถ้าเป็นการทำความเพียนก็กลัวไปเลยไม่ก็เข็ดหลาบอันนี้ก็มีไม่ชู้สิริษฐ์ได้คำต่อในวันเพ็ดังนหกนั้น <c oughs> เกียกเรื่องนี้ <c oughs> เป็นพระองค์เลยว่าเราลู่แฉ่งแล้วเสียงที่มาแฉ่งทำไมแฉ่งแล้ว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 มาพ้นจอกเป็นจำเลยแล้วอิจฉาเห็นไม่เป็นเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพน้นความโกษธหรว่าไม่เป็นจะเบื่อะไรหรอกถ้าเราไมา่ศึกษาใจเป็นจำเลยใหญ่ๆที่ถือคือเกิดการแก่แการเจ็บคนตายแน่นอนถ้าเราแก้ตรงนี้ได้มันก็ไปแก้ที่โน่นไปในถัวเสียดบางคนอื่นจะสอนอยังเกินไปก็สอนไปเถอะ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 จึงขอพอรจากพระเจ้าสงเลือกอาโดนเป็นพระอุปถาอาโนดนเลยขอพอรจากพระเจ้าว่าอะไรหลายอยา่างอย่างข้อที่อดุลก็บอกว่าถ้าพระเจ้าประชง์แสดงธรรมที่ใดขอให้อานดนไปตามด้วยติดตามไปด้วยถ้าสงทำไมจึงถามอดุลทำไมจึงขอร้องอย่างนี้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 เราจึงเป็นอย่างนี้พุทธจาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อการนี้โดยตรงเพื่อการเหนือเกิดเจเจ็บตายกาเริ่มต้นมาจากเห็น <c oughs> เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลง <c oughs> ปล่อยแต่เพื่อเพื่อไปจนทุกอย่าง <c oughs> ก็ลักษณะเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นเป็นศินลปะหรือเป็นปริญญา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 พอถึงเวลาเราก็มีหน้าที่สอนพวกเราตั้งใจมาฟังมาปฏิบัติแล้วก็สอนไมาใช่พมมาจโลกที่ปฏิจอมปฏิไม่ต้องว่าบางทีศีลก็ไม่ต้องว่าปฏิบัติไปมันก็มีเออศีล น, นี่ไม่ใช่ขอศีนนี่ไม่ใช่ขอนะทําให้มีขึ้นมามหาญาเนี่ย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 พังสนังอกชามิเพราะว่าเป็นสาวบ้านเราคราบเจ้าขอเ อ, อาพระเจ้าเป็นศรัทธาธรรมสนังอจชามิขา้าว เ, เ, เจ้าขอพระธรรมประชนะสังขังสนังอจชามิข้าวเจ้าถือออกขอพระสงฆ์ประชนะสาระอื่นของข้าวเจ้าไม่มีเจ้าพระธรรมประสงสาระของเจ้าข้าวเจ้าจึงพ้นจากทุกทั้งปวงได้อุทานออกมา บางคนมีคันตั้งคันได้หกเดือนจะวางเทพเจ้า <c oughs> เอาก่าอย่างนี้จบก็แม่แต่ลูกอยู่ในคันก็ข้าเจ้าเนี่ยเพิ่งเกิดได้หกเดือนขอถึงพลัดตายไตด้วยเช่นกันจนวันที่ลูกเกิดพวอลูกแด็กสาแม่ก็บอกว่าลูกเนี่ยมีพลัดตายไตแล้วตั้งแต่อายุได้หกเดือนแล้วนะตัวก็ถือเอานาน ต่อมาเขาก็มาแบบใจเจตร้าพเจ้ามีเจตนาเว้นจากการฆ่าเด็ดขาดข้าพเจ้าไม่เจตนาเว้นจากกาถือของสิ่งของที่จะของกับแมลให้ข้าเจ้ามีเจตนาพูดงดเว้นจากการอะไรนะข้อทีส่สามพฤติภ <face> ินายการมทั like ้งหลายขราบเจ้าไม่เจตางดเว้นจากพูดไม่จริง เจ้าเจ้ามิเจตนะ่างว่นจากการเดืองทุลาเมลยแอมเปติทั้งของความประม า, าว่าเองเจ้วเจ้าขอสมชำระชิคาบทั้งห้านี้นเรียกว่าอีมานิปัญจาศิคาบทานนิชมาธิยามิถ้าว่าเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าเาจ้าเจ้าขอสมชำระชิคาบทัห้าข้อนี้ตลอดชีวิตไม่ทําบาปกรรมกรรนี่เป็นเจตนาออกมาจากภายในที่นี่พวกเราก็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 ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเลยไปเห็นมันเกิดไม่เป็นผ şey ู<_<_้เกิดเห็นม uh> ah> uh> ันเจ่ไม่เป็นผู<_<_<_้เจ่เห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายแลตาก็ทับใจที่สุดในเรื่องนี้อยากจะพูดแต่เรื่องนี้แหละเออเคยเจ็บเคยตายอยู่แล้วประทับใจมาก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 มาจังเหนือก่อนเกิดใจกตาเนี้คือพุทธศาสนามีอยู่ในหัวใจเรานี้ไอ้ใช่ศาสนาอยู่วัดเราอยู่บ้านศาสนาศาสนาเจริญคือวัดว่าอารมณ์ใหญ่โตโหัวฐานพระสงฆ์มากไม่ <c oughs> ใช่ศาสนาเจริญคือเราไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหามีแต่ปัญญาศาสนาเจริญเมื่อเรา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 จึงอยากจะบอกตรงนี้ให้มั่นใจเถอะโอ้หนี้เราก็กลับกันแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆควิตของคนเราไม่ต่างกันเลยไม่มีชาติไม่ภาษาลรที่นีกายเปน็นเดียวกัน<ม>เหมือนกันหมดเป็นดกขเห็นใจกันจริงๆไม่การเกิดเจ็บตายมีทุกข์ <c oughs> เหมือนกันหมดไม่น่าจะเปี่ยงกันเลยคนเราเลย